ขอท่านทั้งหลายจงถึงซึ่งความสุขจงพ้นจากความทุกข์เถิดสุขิตาโหธา ท, ทุกขามุจจาถาติกับประชาชาวก็ให้ท่านบูฟังทั้งหลายจงถึงซึ่งความสุขจงพ้นจากความทุกข์เถิดขอเลยท่านบูฟังคำว่ขาขอในที่นี้ ไม่ใช่อ้อนวอนขอร้องแต่เป็นการขออนุญาตขออนุญาตให้เกิดการกระทำคำขอในะาะบูฟังนะไม่ใช่หมายถึงการอ้อนวอนขอร้องแต่เป็นการอนุญาตเป็นการขออนุญาตให้เกิดการกระทำที่จะให้ถึงความสุขให้พ้นจากความทุกข์เถิด คำว่าความสุขในที่นี้หมายถึงสุขเวทนาด้วยหมายถึงความสุขที่เหนือกว่านั้นยิ่งขึ้นไปด้วยบางคนจะคิดว่าความสุขมีแต่เพียงสุขที่เกิดจากทางตาทางหูอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกา ม, มาสุขมันก็เป็นสุขเหมือนกันแต่เป็นสุขชนิดที่มีความทุกข์แฝงมาด้วย สุขแบบนี้จะยังไม่พ้นไปจากความทุกได้สุขแล้วมีทุกแฝงเนี่ยแล้วทุกที่แฝงมันไม่ใช่เล็กน้อยมันมากกว่าความสุขที่ติดตามมามากมายเี่อาหารบางประเภทกินแล้วมันอร่อยปากอยู่ก็จริงแต่ว่ามันมีความเป็นพิษมีความไม่เหมาะสมกับร่างกายสุขลิ้นสุขปากอยู่ แต่ว่าโทษมันมหาศาลความสุขประเภทนี้ก็ยังไม่พ้นไปจากความทุกข์สุขอยู่แต่ว่าความทุกข์เพิ่มขึ้นมากมายมันไม่คุ้มกันสุขที่เกิดจากการมีลาบปจัจจัยสี่สุขที่เกิดจากเสียงเยินยอสันเสริญสุขที่เกิดจากการได้มียศมีตำแหน่งหรือความสุขที่เกิดจากสุขเวทนางได้อย่างหนึ่งก็ตาม จะเป็นความปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วได้สิ่งนั้นสมหวังความสุขเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยตัมบูฟังจะเป็นความสุขที่เจือมาด้วยความทุกข์อยู่นั่นเพราะอะไรเพราะว่าความสุขแบบนี้มันเสื่อมไปได้มีลาบป้จใจสีมันเป็นของโลกเขาเนี่ยมูฟังมันเป็นของที่อยู่ในโลกเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลม เป็นสิ่งที่มนุษย์โลกสมมุติกันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นของโลกมันไม่ได้เป็นของเราสิ่งไหนที่เป็นของโลกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของโลกได้โลกเขาสร้างสรรค์ปรุงแต่งตลาดหุ้นขึ้นมาหุ้นมันก็ขึ้นตามปัจจัยของโลกหุ้นมันจะลงทรัพสินหมดไปก็ตามปัจจัยของโลกเงินทองทองคํำนี่แหละแพลตินัมก็ตาม โลหะมีค่าอัญมณีอะไรต่างๆก็ตามก็เป็นของโลกมันเป็นของหายากคนเขาก็เลยกำหนดมูลค่ากำหนดราคากำหนดความต้องการขึ้นมามันก็มีราคาสูงขึ้นมีมูลค่ามากขึ้นตามเหตุปัจจัยของโลกซึ่งเหตุปัจจัยนี้ถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปมูลค่ามันก็นลดลงถอยลงเป็นไปตามเรื่องของโลกหรือว่าชื่อเสียง ตำแหน่งคาสรรเสริญเยินยอพวกนี้เราทําดีเขาก็ชมบางทีทําชั่วเออเขาก็ชมฮ่จะชมหรือไม่ชมไอ้บางทีมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความดีความชั่วมันขึ้นอยู่กับเขาพอใจหรือไม่พอใจเขาพอใจเขาก็ชมก็ไม่พอใจเขาก็ด่าจะพอใจหรือไม่พอใจบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับความดีบ้างความชั่วบ้าง แต่ความดีความชั่วก็ไม่ใช่เหตุปัจจัยเดียวเสมอไปบางทีก็ขึ้นกับความพอใจของเขาถ้าเขาพอใจสิ่งที่เราทำไม่ดีถึงทำไม่ดีก็ยังได้รับคำชมแต่ถ้าความพอใจเขาเปลี่ยนแปลงไปไอ้ที่ทำดีๆแต่ก็ถูกด่าก็มีซึ่งเหตุปัจจัยที่เขาจะพอใจหรือไม่พอใจมันก็เกิดขึ้นในโลกเนี่ยตั้มฟังเพราะเกิดขึ้นในโลกมันเป็นของโลกเนี เหตุปัจจัยมันก็ไปตามโลกถุกบ้างทุกบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างอันนี้เป็นของโลกเขาสิ่งท i̇şte. ี่เป็นของโลกมีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เป็น mm hmm. ของเราสิ่งที่เป็นของโลกนะาำฟังนะไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนของเราไม่ได้เป็นของเราแต่เป็นของโลกเป็นของสิ่งอื่นเป็นของที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็เรียกว่าเป็นอนัตตา สิ่งไหนที่เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นของคนอื่นเขาเป็นของโลกเขาของคนอื่นเนี่ยจะเอามาเป็นของเราเนี่ยมันไม่ได้มันผิดหลักมันผิดกฎมันจะไม่ได้นำมาซึ่งความสุขมีความสุขอยู่ก็จริงแต่มีความทุกข์แฝงมาด้วยคิดว่าเป็นตัวเราของเราแต่มันไม่ใช่คาว่าขอให้ถึงซึ่งความสุขขอให้จงพ้นจากความทุกข์เนี่ยคือขออนุญาตในการที่จะ ให้จิตของเรานั้นสามารถที่จะมาเห็นได้อนุ ญ, ญาตในการที่จะให้จิตนั้นมารู้ถึงความสุขที่จะไม่มีความทุกข์ความสุขชนิดที่ความทุกข์จะลดน้อยลงไปเช่นว่าถ้าปเปรียบเทียบกันระหว่างอาหารของมนุษย์เนี่ยที่มันอร่อยลิ้นแล้วแม้แต่ว่ามันก็ทำให้สุขภาพไม่ดีอาหารบางประเภทเช่นพวกเนื้อสัตว์ไข่นมพวกนี้ อร่อยลิ้นอยู่ก็ทํามาอย่างอร่อยอร่อยแต่ว่าทําให้สุขภาพนั้นไม่ดีได้มีความทุกข์แฝงมาเอาถ้าเปรียบเทียบกับอาหารอีกประเภทหนึง่งเป็นผักเป็นผลไม้อร่อยลิ้นอยู่เหมือนกันแต่คุณละแบบอาจจะอร่อยมากกว่าอร่อยน้อยกว่าแต่ว่าทุกที่มันแฝงมาเนี่ยน้อยลงทํำให้สุขภาพนั้นดีขึ้นทําให้ทุกที่มากับอาหารนั้นน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม2 อ, อย่างนี้ก็ยังมีทุกข์แฝงอยู่แต่ถ้าเราเปรียบเทียบกันนะเย่างเจ่นอาหารของเทวดาอย่างเงี้ยเป็นอาหารทิพย์แต่ต่อให้คุณกินผักกินผลไม้มีความทุกข์น้อยกว่าพวกสิ่งที่ทําให้สุขภาพแย่ลงแต่ก็ยังต้องถ่ายออกมาต้องเปลืองพลังงานในการย่อยใช้การย่อยแล้วร่างกายก็แก่ซุดโทมลงมีความทุกข์แฝงมาอยู่อยู่ดีแต่ถ้าเป็นความสุขของพวกเทวดา แตที่เกิดจากอาหารนี่แหละอาหารก็เป็นอาหารที่ไม่ต้องย่อยริมรสแล้วก็สุกเลยอยู่ในลิ้นเลยไม่ต้องถ่ายออกมาอีกเวลาจะถ่ายเนี่ยเขาต้องเรียกว่าถ่ายทุกเพราะมันไม่สุกไงเวลาถ่ายออกมาแล้วมันจึงมีความสุกแต่มันต้องทุกมาก่อนเพราะการกินเพราะลิ้นถ้าเปรียบเทียบอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างที่ว่ากับอาหารทิพย์ของเทวดา อาหารทิพย์ของเทวดานี้ดีกว่าดีกว่าตรงที่ว่ามันมีทุกแแอแฟงมาน้อยกว่านี่คือแค่ทางที่เราเห็นเฉยๆนะแต่ทั้ง3มอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพแต่อร่อยอาหารที่ดีต่อสุขภาพจะอร่อยก็ตามไม่อร่อยก็ตามหรือว่าอาหารทิพย์ของเทวดาก็ตามนี่สิ่งที่มีความทุกข์ที่มากกว่าที่เราเห็นชาบสวยโดยผิวเผินนั่นคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจตรงส่วนที่ว่า มันจะทำให้เรามีความยึดถือได้มีความยึดถือมีความกำหนัดในรสชาตินั้นเนี่ยมันจะทำให้จิตนั้นตกอยู่ในอำนาจมีความทุกข์ที่แอบแฝงมาคือตัณหาที่เกิดขึ้นเวลามีตัณหาทางผู้ฝังตัณหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ลิ้นไม่ได้เกิดขึ้นที่ตาไม่ได้เกิดขึ้นที่หูแต่ว่าเกิดขึ้นในใจจิตที่มีตัณหาเนี่ยเวลามันไปรับรู้ทางลิ้น เวลาไปรับรู้ทางตารับรู้ทางหูเนี่ยมันจะติดยึดใน ท, ทันทีติดยึดระหว่างเสียงนี่แหละกับจิตนี่แหละติดยึดระหว่างรสกับจิตนี่แหละติดยึดระหว่างรูปที่เห็นทางตากับจิตนี่แหละเพราะฉะนั้นเ้าจะบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นที่ตาที่หูจมูกหรือรสหรือเสียงหรือรูปประตาเนี่โดยทางเทคนิคแล้ว แต่ว่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกเพราะมันติดมันก็ต้องติดเป็นกูกูมันจะเกิดได้ก็ต้องเกิดเป็นกูกูเป็นของที่อาศัยกันจึงเกิดขึ้นได้และจิตนี่แหละเป็นตัวดีมันมีรากอยู่ที่นี้มันมีต้นกําเนิดอยู่ที่นี้เพราะมันมีต้นกําเนิดที่จิตจิตมีของเหนียวมีกาวเหนียวอยู่เนี่ยมันไม่โดนอะไรมันติดหมดมันไม่โดนอะไรมันยึดหมดไอ้ตรงนี้แหละจึงเป็นภาระดัมมวังภาระนี่แปลว่าของหนัก ของหนักที่ถ้าจิตมันไปรับออามาอย่างเงี้ยมันก็จะหนักพอหนักแล้วมันก็จะทุกข์คิดว่าเป็นสุขอยู่แต่มีความทุกข์แอบแฝงสุขแบบนี้จึงไม่ใช่สุขอันกเกษมไม่ใช่สุขที่จะพ้นจากความทุกข์ได้สุขอยู่แต่มีทุกข์พระพุทธเจ้าเรียกรวมจเจ้าความสุขที่มีความทุกข์แอบแฝงมาด้วยเนี่ยท่านไม่เรียกว่าความสุขแต่มาฟังแต่เรียกว่าความทุกข์ ความสุขแบบไหนที่มีความทุกข์เจือมาแม้แต่น้อยนิดเดียวก็ตามเนี่ยเขาเรียกว่าสุขไปไม่ได้นะเช่นว่าในอาหารจานหนึ่งแม้มีแต่ผักผลไม้สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยแม้แต่ว่าถ้ามันเปื่อนสารเคมีมีสารพิษใช้ปุ๋ยไม่ได้มีคุณภาพใช้ยาฆ่ามแมลงเนี่ยาฆ่ า, ามแมลงก็ไม่ได้มีมากฉีดแค่ผิวๆมันเฉยๆแต่อาหารนั้นก็ถือว่าไม่ดีคือจะมียาพิษเจือมาในอาหารนิดเดียว แต่ว่าอาหารนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะยาพิษนี่ไม่ได้หนึ่งในสิบด้วยซ้ําไม่ใช่หนึ่งในร้อยด้วยซ้ําของอาหารทั้งหมดเนี่ยอาหารนั้นก็กินไม่ได้ไปเป็นของเสียไปเป็นของไม่ดีไปเป็นของที่มีความทุกข์ไปเพราะฉะนั้นความสุขที่เจือมาด้วยความทุกข์เนี่ยจึงเป็นความสุขที่ยังไม่พ้นจากความทุกข์เป็นความสุขที่เหมือนกับของหวานหวานที่เขาเคลือบเอาไว้บนยาพิษเหมือนสุราเนี่แหละธรรมบัณฑ์ บางคนอาจจะบอกว่ารสชาติมันดีแต่จริงๆรสชาติมันไม่ดีหรอกนะแต่บางคนมีความเข้าใจว่ารสชาติมันดีแต่พอกินเข้าไปแล้วเนี่ยแม้มันจะทําให้ร่างกายไม่ดีมีความเสื่อมทางสมองทําให้ร่างกายตอบสนองมาในลักษณะที่จะทําให้เกิดปัญหาต่างๆรสชาติอาจจะดีบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้แค่รสชาติด้วยช้ําแต่ว่าชอบบรรยากาศแต่บรรยากาศนี้เป็นความดีเป็นความสุขแต่มันมีทุกแอบแฝงอยู่อย่างที่ว่า จะไม่ได้ทําให้เกิดการพ้นทุกได้มีสุขยุแต่ไม่พ้นไปจากทุกเพราะฉะนั้นสุขอะไรที่มีทุกแอแฝงอาหารจานไหนที่มียาพิษเนี่ยเขาไม่เอากันเขาไม่กินกันถ้าคนฉลาดเขาเห็นดูรู้แล้วนะเขาจะไม่เอาเขาจะฉลาดเขาจะผ่านไปเขาจะเลี่ยงไปสุขแบบไห น, นที่จะไม่เกิดความทุกนั้นจะไม่เอาก็ายังเรียกว่าเป็นความทุกอยู่ดีผู้รู้คือวินยูชนมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ ท่านจะรู้รู้แล้วท่านก็บอกไว้ว่าสิ่งเหล่านี้คือความทุกข์ความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้บอกไว้เรียกรวมว่าเป็นความทุกข์นี้ก็คือขันธ์ต่างๆนั่นเองธาตุขันธ์อายตนะสิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์อาจจะมีสุขแฝ ง, งมาบ้างเงินทองอย่างเนี้ยแต่เม่เรามีความสุขได้อันนี้ไม่เถียงแต่มีสภาวะที่เป็นทุกข์แฝงมาด้วย อาหารอะไรอะไ ร, รก็ทำให้เรามีความสุขได้อันนี้ไม่เถียงแต่ก็มีความทุกข์ที่แอแฝงมาด้วยสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้มีเงินมีทองมีญาติมิตรพี่น้องได้เลื่อนตำแหน่งมีคนชมยกย่องสรรเสริญพวกนี้มีสุขอยู่แต่มีความทุกข์แอแฝงสิ่งเหล่านี้คือขันหทาธาตุ4และอิยตนะเรียกรวมว่ากล่องทุกข์ เป็นหนึ่งในอริยสัจ4ีเรียกว่าทุกขอริยสัจแต่จะจัดหมวดหมู่ลงกันให้ดีก็เรียกว่ามีหมวดหมู่อยู่ห้าอย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปนั้นก็คือธาตุทั้งสีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอาหารที่ทํามุฟังกินอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็มีธาตุสี่นี่แหละปรุงมาร้อน มันก็มีาธาตุไฟอาหารบางอย่างกินแล้วลมกต็ตีมีาธาตุลมอยู่ในาธาตุของมันให้ความแข็งความเหลวก็เป็นาธาตุดินาธาตุน้ำอยู่ในอาหารนี้หรือเราได้รับการยกย่องสรรเสริญเลื่อนตาแหน่งแต่พวกนี้เป็นสัญญาเป็นสังขารมันทำไม่เกิดความสุขบ้างความทุกข์บ้างความสุขความทุกข์พวกนี้เป็นเวทนา จิตของเราก็าไปรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้การที่จิตไปทาหน้าที่ในการรับรู้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นวิญญาณรับรู้ก็ผ่านทางอยายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นขันเป็นธาตุเป็นอยนายตนะขันห้ธนาธาตุสีอายตนะ6เป็นสิ่งที่เป็นกองทุกข์แต่มวลาจะดูเหมือนว่ามีความสุขเราจะวิ่งตามหากันเนี่ยตามหาลาบยศสันเสริญตาแหน่ง ตามหาคู่ครองตามหาการงานตามหาทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือตามหากันห้าเป็นสิ่งที่มีความสุขแต่มีความทุกข์แฝงอยู่บางคนอาจจะได้สิ่งที่เป็นความสุขเหล่านี้แล้วก็ได้แต่ยังไม่พ้นไปจากทุกข์ขอท่านทั้งหลายจงถึงซึ่งความสุขแต่ถ้าได้ความสุขแบบนี้มันจะยังไม่พ้นไปจากความทุกข์บางทีบางคนได้แต่อ้อนวอนขอร้องด้วยซ้า ไม่ได้อนุญาตให้จิตของตัวเองไปเห็นความจริงคือความทุกข์ที่มันแฝงอยู่แต่ว่าถูกปกปิดอาไว้บังไว้ครอบงมครอบกลุ่มเอาไว้โดยเจ้าอวิชาเพราะอวิชามันบังเอาไว้ในตะบูฟังมันก็มีแต่อ่อนวอนขอร้องมันไม่ได้เป็นการอนุญาตอนุญาตนั้นคือการเปิดจิตตะบูฟังอนุญาตนั้นคือการเปิดจิตให้อนุญาตมาเห็นในสิ่งที่มันอะไรถูกอะไรชอบ อย่างที่วินยูชนเขาเห็นอย่างที่วินยูชนคือคนดีคนประเสริฐเขาจะมีความเข้าใจกันว่าความทุกข์ที่แอบแฝงอยู่ในความสุขบางประเภทนั้นมันไม่ดีเราต้องอนุญาตให้ตัวเราเองเห็นได้ทั้งหมดเราจะอนุญาตให้ตัวเราเองเห็นได้พ้นจากความทุกข์ที่แฝงมาในความสุขนั้นเราจะต้องตั้งสติของเราขึ้นพอเราตั้งสติของเราขึ้นเอ๊ะมันอะไร ทำไมเรามีความสุขแต่บางทีมันก็ยังไม่สุขจริงๆให้กินอาหารอร่อยอยู่ไม่มีความทุกข์แอบแฝงต้องเข้าห้องน้ําเำทุกแบบนี้ถ่ายทุกออกมาแล้วเข้าไปในสุขขาแล้วออกมามีความสุขดีเมื่อวานก็เข้าห้องน้ําแล้วมีความสุขแล้ววันนี้ก็ต้องมากินอีกมันหิวอีกแต่มันก็กินกันทุกวันวันหนึ่งหลายๆรอบได้เงินตรงนี้แล้วได้ชื่อเสียงตรงนี้แล้วถัดมาอีก สองสามวันเอ๊ะก็ยังรู้สึกว่ามันยังอยากได้อยู่ตรงนั้นมีความสุขอยู่เอ๊ะแต่มันทำไมยังหิวอยู่ยังอยากอยู่ยังไม่พอยังมีสิ่งที่ต้องทําอยู่เพื่อให้ได้ความสุขมากขึ้นไปอีกความสุขแบบนี้มันยังไม่พ้นไงแต่วังมันมีความสุขที่จะต้องใส่ให้เต็มแต่มันเต็มไม่ได้อ่ะเพราะว่าเรื่องของตัณหาถ้ามีตัณหาอยู่ที่ไหนในตธรรมฝังไม่สามารถที่จะถมให้มันเต็มได้เป็นเหมือนกับหลุมเป็นเหมือนกับบอ่อ ที่ไม่มีก้นผมก็ใบส่เข้าไปยังไงก็ไม่เต็มวันนี้ใส่ความสุขก็ไปเท่านี้มีความสุขอยู่เอาวันถัดมาเอ๊ยมันยังว่างอยู่แฮมันยังโบอยู่เอาต้องใส่เข้าไปอีกสิ่งใดที่มีตัณหาเป็นพื้นฐานดำฝังเป็นความสุขที่อาศัยตัณหาเนี่ยมันถมไม่เต็มมันใส่ไม่เต็มเป็นสิ่งที่จะยังไม่พ้นไปจากความทุกข์ได้ดูๆมันเหมือนสุขอยู่ตอนนั้นมันอิ่มอยู่ตอนนั้นมันดีอยู่เพราะว่าเจ้าอวิชชามันบังเอาไว้ มันไม่อนุญาตให้เราเห็นพกก้นมันไม่มีมันโบใส่ไปดูเหมือนเต็มเ็มที่ว่าพอแล้วแต่มันบังเอาไว้ไงมันไม่อนุญาตให้เราเห็นเราจึงจะต้องอนุญาตตัวนี้คือขอท่มุฟังขอขอคือความตั้งใจขอคือความตั้งใจไม่ใช่อ้อนวอนกอร้องตั้งใจในการที่จะเพ่งดูให้ดีคือตั้งจิตตั้งใจของเราขึ้นด้วยมักแปดอย่าไปตั้งใจของเรา ด้วยตัณหาอวิชชามันจะไม่เห็นมันจะไม่ได้รับการอนุ ญ, ญาตให้เราพ้นจากความทุกข์ถึงความสุขดีเกษได้แต่ถ้าเราตั้งใจคือขอเลยนะขอขอที่จะตั้งใจของเราให้ดีในการที่จะเห็นให้ถูกว่าความสุขนี้คืออะไรที่จะให้พ้นจากความทุกข์ด้วยสุขที่จะเกษมสุขที่จะดีสุขที่จะพ้นจากความทุกข์เนี่ยต้องตั้งจิตของราใหมา อนุญาตให้จิตของเรานั้นมาตั้งอยู่บนมาร์กแมาร์คือทางมาร์คือปฏิปทาคือระบบระเบียบข้อปฏิบัติที่จะอนุญาตให้จิตของเรานั้นเห็นได้ว่าอ๋อสิ่งนี้คือความสุขที่มีความทุกข์แฝงมันไม่ใช่สุขจริงๆแต่มีสุขอย่างอื่นที่จะทําให้ความทุกข์ที่แฝงนั้นมันไม่แฝงอยู่ได้จะพ้นจากความทุกข์ได้ สุขเหล่านั้นก็มาตามทางมักแบดนี่แหละท่านผู้ฟังบางคนคิดร้ายกับคนอื่นแล้วมีความสุขเช่นว่าศัตรูของเราเราไม่ชอบไอหมอนีน่คิดร้ายกับมันให้ร้ายกับมันแล้วเห็นมันมีความทุกข์เนี่ยแม่เรามีความสุขขึ้นมาทันทีเลยนะความสุขแบบนี้มีความทุกข์แฝงแฝงไปด้วยความคิดให้ร้ายความคิดอาฆาตเป็นความคิดในทางพยาบาทที่อาจจะมีผลเป็นสุกเวทนา แต่มีความทุกข์แอบแฝงอยู่ที่ว่าแฝงอยู่ในเบื้องหลังแฝงอยู่ข้างในชาบทาไว้ด้วยความหวานหวานแต่ถ้าเราอนุญาตให้จิตของเราเห็นได้ด้วยการตั้งจิตขอเลยนะขอนี่คือการตั้งใจใหม่ตั้งใจใหม่ตั้งจิตใหม่ด้วยสัมมาสังกปะเป็นต้นความที่จะไม่คิดอาฆาตความไม่คิดพยาบาทแต่ให้มีเมตตาอย่างนี้เป็นต้นพอจิตมีเมตตาปุ๊บเนี่ยต่อให้คนที่เราไม่ชอบ เรามีเมตตากับเขาเขาอาจจะดีหรือไม่ดีเขาเป็นไปตามกรรมอ่ะเขาจะดีหรือไม่ดีไม่ใช่ว่าเราจะคิดดีหรือไม่ดีกับเขาบางทีเราคิดไม่ดีกับเขาเขาก็ยังได้ดีสดาอาการที่เขาจะได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่กรรมของเราน่ะมันไม่ได้อยู่ที่เราเราจะคิดดีหรือคิดไม่ดีแต่ถ้าเราคิดไม่ดีความไม่ดีเกิดขึ้นที่จิตของเรานั่นเป็นความทุกข์นะเพราะความ ความดีนะเกิดขึ้นที่จิตของเราเราจะพ้นจากความทุกข์นั้นได้พ้นจากความไม่ดีนั้นได้เขาจะดีหรือไม่ดีมันเป็นเรื่องของกรรมของเขาเป็นสิ่งที่เขากระทำแต่ถ้าเราคิดดีมีสัมมาสังกัปปะเนี่ยความดีตั้งขึ้นในจิตของเราจริตของเราที่ตั้งความดีขึ้นแบบนี้มันจะเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อความสุขที่มีความทุกข์แฝงเนี่ยมันไม่ดีมันเป็นสิ่งที่เจือกันมาบินยูชนเขาจะรู้คนประเสริฐเขาจะเห็น คนประเสริฐหรือบินยูชนเนี่ยเขาก็ตั้งจิตไว้ด้วยสัมมาสังกัปปะนี่แหละคือความระลึกชอบความดําริชอบความคิดในทางที่จะไม่พยาบาทความคิดในการที่จะมีเมตากับทุกคนไม่ว่าเราจะชอบเขาหรือเราจะไม่ชอบเขาพอเราตั้งจิตไว้อย่างนี้ในธรรมวั ง, งนี่คืเราตั้งอยู่บนมรรคแปดแล้วนะสติก็เกิดขึ้นทันทีสติคือความระลึกได้สัมมาสติคือการระลึกถึงสิ่งที่ดีๆได้ ในที่นี้คือสัมมาสังกปะในที่นี้คือความคิดที่มันจะดีเราระลึกตรงนี้ได้เราไม่ให้จิตของเราไปตามความคิดที่มันไม่ดีความคิดอาร่าปยาบาศแต่ตั้งจิตให้ถูกสติก็ตามมาไอ้การกระทําที่เรากระทําทางใจนี่แหละนะไม่ได้กระทําทางวาจาด้วยไม่ได้กระทําทางกายด้วยแค่การกระทําทางใจที่เปลี่ยนละจากความคิดไม่ดีมาเป็นความคิดดีเนี่ยการกระทําตรงนี้ คือการทาจริงแน่แน่จริงก็เรียกว่ามีวายามะวิริยะเป็นสัมมาวายามะจิตของเราที่มีความรู้แล้วว่าอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันดีตั้งจิตไว้ด้วยมรรคแปดเนี่ยสัมมาทิฏฐิก็ตามมาะสัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นในจิตของเราเราตั้งจิตของเราไว้ด้วยอรอยิยมรรคมีองแปดมีการที่เราคิดดีพูดดีทาดีคิดดีพูดดีทาดีให้มันดีดีจริงๆนะ อาจจะเกิดภาษาที่ไม่น่าพอใจฟังให้ดีนะภาษาที่ไม่น่าพอใจบางคนจะคิดว่าเป็นเรื่องที่มันไม่ดีใช่ยูมันไม่ดีจริงๆอ่ะมันเป็นความทุกข์จริงๆอ่ะแต่ความทุกข์หรือความไม่ดีนี้ซึ่งไอ้เจ้าความทุกข์หรือความไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีที่ว่าทาให้คนที่เขาไม่เห็นเนี่ยเขาก็จมปลักอยู่ในความทุกข์นั้นแชร์อยู่ในความทุกข์นั้นเกี่ยวตัวเองไม่ดีไม่พอใจ อันนี้คือตั้งจิตไว้ด้วยตนาอวิชชายังไม่ได้อนุญาตยังไม่ได้ตั้งจิตไว้ด้วยความดีเพราะเราตั้งจิตไว้ด้วยตนาอวิชชาไม่ได้ขอแต่อ่อนวอนอ่อนวอนก็มีความหวังว่าจะต้องได้ตามที่อ่อนวอนอ่อนวอลมันก็มีความหวาดกลัวาโอ้จะไม่ได้ฉันไม่ไ ด, ไได้ตั้งจิตอย่างนี้มีความหวาดความหวังมันก็จะจมอยู่ในกล่องทุกแต่ถ้าขอจะมาวังขอ ขอในที่นี้คือตั้งใจใหม่ขอในที่นี้คืออนุ ญ, ญาตให้จิโกเราเห็นได้ว่าไอ้เจ้าทุกเวทนาภัสสที่ไม่น่าพอใจเนี่ยมันเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกแล้วนะมาปลุกให้เราตื่นขึ้นอนุ ญ, ญาตให้จิโกเรานั้นมารู้มาเห็นได้ว่าโอ้มันมีความทุกข์แอแฝงอยู่นะภัษสะที่ไม่น่าพอใจเนี่ยเป็นความทุกข์นะเอา้าเราก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์น่อสิ เราจะเคยเจอความสุขบ้างในชาตินี้ปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่ไม่เคยเจอความสุขเนี่ยคงจะไม่มีไม่ต้องอาจจะหรือคงหรอกมันแน่นอนเลยคนเราเจอความสุขแน่นอนในชาติปัจจุบันนี้น้อยบ้างมากบ้างแต่มีความสุขแน่นอนเแต่ถ้าเราเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจอ่ะเอามันมีความทุกข์อยู่นี่เอามายังไม่พ้นจากความทุกข์เราจะจะมีความสุขอยู่แต่ความทุกข์ก็ยังครอบงำอยู่ยังไม่พ้นจากความทุกข์ได้ อันนี้มันจะเป็นเครื่องที่จะปลุกให้เราตื่นแล้วนะปลุกให้เรารู้สึกตัวเป็นการอนุญาตที่จะทาให้จิตของเรานั้นรู้ตัวขึ้นเวลารู้ตัวขึ้นเนี่ยตามวังมีสติแล้วมีสติขึ้นเนี่ยพุทโธมันเกิดขึ้นในใจแล้วพุทโธเกิดขึ้นในใจแล้วรู้แล้วก็มันตื่นเลยรู้แล้วว่าโอ้เรายังไม่พ้นจากความทุกข์เออแล้วมีสติแล้วมีพุทโธแล้วตรงนี้แหละเรียกว่าเป็นทางละ ที่จะทาให้พ้นจากความทุกข์ได้คือถ้าเรายังไม่ตื่นอะยังไม่รู้ตัวว่าอ้ฉันยังไม่พ้นทุกข์แฮะยังคิดที่จะแต่อ้อนวอนขอร้องให้เกิดความสุขอยู่เนี่ยมันยังไม่ตื่นนะยังจมอยู่ยังมีแต่ความอ้อนวอนขอร้องอยู่แต่ว่าขออนุญาตขอในการที่จะตั้งใจใหม่ตั้งใจใหม่ขึ้นได้ว่าโอ้ฉันยังไม่พ้นทุกข์ไอ้ฉันจะทํำยังไงจะมีใครน้อที่จะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือ2วิธี คำตอบของคำถามนี้ก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละตัมบฟังท่านรู้รู้แล้วสร้างทางเอาไว้บอกทางเอาไว้ไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองทางแต่เป็นหลายทางมากทางทั้งหลายเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นทางศีลทางสมาธิทางปัญญาทางเมตตาทางกายวาจาหรือทางใจเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบอยู่8อย่างหนึ่งคืออริยมรรค มีองแป8ให้เรามาตามทางคืออริยมรรคมีองแปดนี้แหละธรรมบุฟังจะเป็นทางที่จะทำให้เกิดความสุขชนิดที่จะพ้นจากความทุกข์ได้คาถา น, นี้ธรรมบฟังที่บอกว่าสุขีตาโหะทะทุกามุจจะทาติแปลว่าขอท่านทั้งหลายจงถึงซึ่งความสุขจงพ้นจากความทุกข์เนี่เป็นคำพูดของสามเณรคนหนึ่งชื่อว่าติดสะ สามเณรติดสานีบวชกับท่านพระส า, ารีบุตรมีในสมัยหนึ่งบวชแล้วไปอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งไปบินดาบาตบาัมงบวสามเณรอายุเจ็ดขวบแปดขวบออกไปบินดาบาคนเดียวชาวบ้านเห็นก็มีความรักใคร่เหมือนลกูกเวลาท่านฉันอาหารเสร็จแล้วท่านจะให้พรท่านก็ให้คำนี่แหละว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงถึงซึ่งความสุขจงพ้นจากความทุกข์ เป็นอยู่ตลอดปรรษาแต่ชาวบ้านเหล่านั้นไม่ทราบความหมายของถ้อยคําที่ลึกซึ้งเห็นป่า น, นั้นเมื่อออกพรรษาแล้วท่านมีโอกาสแสดงธรรมจึงได้อธิบายขยายความถึงคําว่าความสุขนี้คืออะไรถึงคําว่าการพ้นจากความทุกนี้คืออะไรโดยตั้งอธิบายถึงเรื่องขันธาตุอายตนะมีมรรคแปดโพชฌงเจตเป็นทางไปให้สุดจบลงที่นิพพาน เมื่อท่านแสดงธรรมอย่างนี้แล้วบุคคลที่ก็มีความเข้าใจลึกซึ้งในธรรมะเหล่านี้เขาก็พ้นจากความทุกข์ให้ถึงสุขอันกเกษมได้นั่นเองข้าพเจ้าขอท่าฟังข้าพเจ้าขอขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงถึงซึ่งความสุขจงพ้นจากความทุกข์เถิดข้าพเจ้าพระมหาไพบุญณะพีปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร